เมื่อติดก่อนไปนเทศวมาสัมพยาคนเยอะสามพันกว่าคนตอน เ, นเทศก็คนคนฟังใจขอวอกแวกนะใจวักแวกๆักแว ك. คนจะคุยกันจะอะไรนะต้องเตือนอว่าธรรมะมันของประณีตถ้าใจเราไม่ประณีตใจวักแวกวกแว ك. รับธรรมะที่ประนีตไม่ได้เราต้องมาฝึกตัวเองให้เป็นคนมีจิตใจประนีตมราต้องเริ่มมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่มีศีลนนะจัดระเบียบกายวาจาให้เรียบร้อยพอกายวาจาเรียบร้อยแล้วสมาธิเกิดง่ายใจเรียบร้อย มีสมาธิแล้วสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาถ้าเราขาดสมาธิคือขาดความสงบตั้งมั่นของจิตใจจิตใจฟุง้งซ่านไม่สามารถรับกระแสธรรมะได้อย่าว่าแต่หลวงพ่อเทศเลยถึงพระพุทธเจ้ามาเทศเองก็รับไม่ได้ใจเราไม่มีคุณภาพาการที่มาฝึกจิตใจให้สงบให้ตั้งมั่นสงบอย่างเดียวไม่ได้ต้องตั้งมั่นด้วย ตัวหลักคือความตั้งมั่นถ้าตั้งมั่นได้ก็สงบในความตั้งมั่นจะมีความสงบอัตโนมัติงั้นต้องพยายามฝึกจิตตัวนี้ให้เกิดขึ้นนักปฏิบัตินะมีเยอะพอสมควรนะแต่ถ้าเทียบกับคนที่ไม่ปฏิบัตินะคนไม่ปฏิบัตินับไม่ถ้วนคนปฏิบัติมีส่วนหนึ่งไม่มากเทียบกับคนที่ไม่ปฏิบัติ แต่ผู้ปฏิบัติที่สามารถฝึกจนกรทา่งจิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวสามารถเดินปัญญาต่อได้มีไม่มากหรอกมายุคเราเนี่ยมาถึงวันนี้อ็เยอะขึ้นสมัยเมื่อสักสามสิบปีก่อนหลวงพ่อสอนเพื่อนๆไว้กลุ่มหนึ่งให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกตัวขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาสอนอยู่ได้สิบกว่าคน ไปไหนก็นั่งรถตู้ไปไปวัดด้วยกันเข้าไปตามวัดครูบาอาจารย์บางทีที่ท่านจิตใย่ไว้ท่านหันมาดูเลยไปรวมกันมาได้ยังไงต้องเยอะขนาดนี้สิบคนเยอะแล้วนะของเราทุกวันนี้มีเป็นหมื่นละมั้งเป็นหมื่นเป็นหลายหมื่นที่รู้สึกตัวขึ้นมาได้ความรู้สึกตัวก็คือจิตใจมันอยู่กันเนื้อกับตัวไม่ลืมตัวเอง มีกายก็รู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายมีจิตใจก็รู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจงความรู้สึกตัวนี้แหละเป็นจุดตั้งต้นที่จะทำให้เราเจริญปัญญาต่อไปได้ <S <S <ม>การเจริญปัญญาก็คือการเรียนรู้ความจริงของกายการเรียนรู้ความจริงของจิตใจความจริงของกายคือไตรลักษณ์ความจริงของจิตใจคือไตรลักษณ์ ถ้าจิตใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเรามีกายลืมร่างกายเราไม่สามารถเห็นร่างกายเป็นไตรลักษณ์ได้ถ้าเราลืมเนื้อลืมตัวจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะเรามีจิตใจเราก็ไม่รู้จักมองไม่เห็นจิตใจของตนเองโหมดส่งออกนอกไปรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สิ่งสัมผัสภายนอกไปคิดไปนึกหลงไปในเรื่องราวที่คิดนึกไม่สามารถรู้จิตใจของตนเองได้ ก็ไม่สามารถเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตใจได้ไม่เห็นความจริงเมื่อไม่เห็นความจริงของกายไม่เห็นความจริงของใจก็ไม่เรียกว่าทามวิปัสนากรรมฐานอยู่ต้องเห็นความจริงของกายของใจถึงจะเรียกว่าพิปัสนาคำว่าวิปัสนาแท้ๆก็คือการเห็นความจริงนั่นเองถ้าแยกสับออกไปมีคาว่าวิคํานึงคาว่าปัสนาคํานึง ปัศนาแยกก็เป็นนณก็เป็นคำนามคำว่าปัศนาแปลว่าการเห็นวิแปลว่าแจ้งเห็นแจ้งเห็นถูกต้องเห็นจริงเห็นตรงตามความเป็นจริงเห็นไตรลักษณ์นั่นเองงั้นงานเจริญปัญญาเนี่ยคืองานเห็นเห็นตามความเป็นจริงเห็นกายตามความเป็นจริงว่าเป็นไตรลักษณ์เห็นจิตใจตามความเป็นจริงว่าเป็นไตรลักษณ์ อะไรได้ยินคำว่าวิปัสสนาไม่ต้องตกใจมันก็คือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจนั่นเองแค่นี้เองไม่ใช่มีอะไรลึกลับยากเย็นแสนเข็นพิสดารแต่ละคนแต่ละคนสามารถเห็นกายเห็นใจของตัวเองได้ปัญหาใหญ่อยู่ที่แค่ละเลยที่จะเห็นเท่านั้นเองเราเคยชินที่จะเห็นออกนอกเราเคยชินที่จะดูคนอื่นมากกว่าดูตัวเอง อยากรู้ใจคนอื่นมากกว่ารู้ใจตนเองทั้งๆที่เราสามารถรู้ตัวเองได้ตลอดเวลาหายใจออกรู้สึกได้ไหมถ้าใจไม่ลอยก็รู้สึกได้หายใจเข้ารู้สึกได้ไหมก็รู้สึกได้นั่งอยู่รู้สึกได้ไหมนั่งอยู่ก็รู้สึกได้ยืนเดินนั่งนอนเรารู้สึกได้ตลอดกินอาหารรู้สึกได้ไหมขับถ่ายรู้สึกได้ไหมรู้สึกได้ มีความสุขขึ้นในร่างกายรู้สึกได้ไหมรู้สึกได้ใช่ไหมมีความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายก็รู้สึกได้มีความสุขเกิดขึ้นในจิตใจรู้สึกเป็นไหมเวลาจิตใจมีความสุขรู้จักไหมรู้จักความทุกข์ในจิตใจที่เกิดขึ้นรู้จักไหมก็รู้จักความเฉยๆทางใจก็รู้จักอีกความโลภความโกรธความหลงในจิตใจก็รู้จักศรัทธา ความขยันมันเพียนสตินะสมาธิปัญญาอันนี้ชาตจะรู้จักยากเพราะไม่ค่อยมีนะที่มีมากก็คือราคาโทสนะโมหะแต่ว่ารู้จักไม่ศรัทธาเป็นยังไงก็รู้จักความขยันมันเพียนเป็นยังไงรู้จักไหมก็รู้จักใช่ไหมจิตสงบเป็นยังไงรู้จักไหมก็รู้จักจิตฟุ้งซ่านเป็นยังไงก็รู้จักรู้จักทุกสิ่งทุกอย่าง ปัญหาใหญ่ไม่ใช่เราดูไม่เป็นนะปัญหาใหญ่คือเราไม่ดูเราไม่คอยดูไม่คอยรู้ไม่คอยเห็นเราก็บอกไม่เห็นดูกายไม่เป็นดูจิตไม่เป็นบางคนถึงขนาดบอกว่าดูจิตยากถามว่าโกรธเป็นไหมเป็นทุกคนนะแล้วบอกว่าดูจิตยากไม่ดูต่างหากการปฏิบัติจริงๆไม่ยากการจะรู้สึกในกายรู้สึกในใจนั้นไม่ใช่ของยากแต่มันยากเฉพาะคนที่ไม่สนใจจะดู หลวงปูด่ดูนยเคยสอนหลวงพ่อว่าประโยคแรกที่ท่านสอนเลยการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติคําว่าการปฏิบัติก็คือการที่เราสามารถเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงนั่นเองการเห็นกายเห็นใจนั้นไม่ยากมันยากเฉพาะคนไม่ยอมไม่ยอมดูไม่ยอ ม, ม, มเห็นอย่างที่ท่านบอกว่าการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติ ท่าสอนหลวงพ่ออีกอย่างหนึ่งอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองง่ายๆอ่านจิตตนเองจิตมีความสุขก็รู้จิตมีความทุกข์ก็รู้จิตเฉยๆก็รู้จิตเป็นกุศลก็รู้ะจิตเป็นอกุศลก็รู้โลบปกดลงอะไรเกิดขึ้นรู้ลูกเดียวเลยการที่เราคอยรู้ค่อยเห็นเรื่อยๆนะเห็นกายเรื่อยๆเห็นใจเรื่อยๆเห็นเนืองๆไปถ้าเห็นเนืองๆเราจะเห็นว่าเออมันไม่คงที่หรอก ร่างกายนี้ก็ไม่คงที่นะร่างกายเดี๋ยวหายใจออกร่างกายเดี๋ยวหายใจเข้าร่างกายเดี๋ยวยืน ela, เดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนนะเดี๋ยวกินอาหารนะเดี๋ยวขับถ่ายนะเดี๋ยวเหลวซ้ายแลงขวา Vide, เดี๋ยวเคลื่อนไหวเดี๋ยวหยุดนิ่งเดี๋ยวก้าวไปเดี๋ยวหยุด ắng, เดนะี๋ยวถอยหลังอะร่างกายมันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงทั้งวันไม่ใช่ของรู้ยากถ้าเราค่อยรู้ตามรู้ไปเรื่องมันจะเห็นไม่เที่ยงหรอก ร่างกายที่หายใจออกก็ไม่เที่ยงร่างกายที่หายใจเข้าก็ไม่เที่ยงร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนก็ไม่เที่ยงเนี่ยคอยรู้สึกลงไปอย่างนี้ไม่ได้เรื่องยากอะไรไม่ใช่เรื่องพิสดารอะไรนะจะดูจิตดูใจนะเราก็ดูได้อย่างพอตาผูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ปุ๊บพอกระทบอารมณ์นะอย่างไปเห็นรูปสวยรูปที่ถูกใจใจิตใจมีความสุขขึ้นมาเราก็รู้ว่าใจกาลังมีความสุข ทุกคนรู้ได้แต่ไม่ชอบรู้หรอกอย่างไปเห็นของสวยๆงามๆจิตใจมีความสุขขึ้นมาไม่ยอมรู้ว่าใจกําลังมีความสุขเมื่อแต่ดูของสวยอย่างเห็นสมมติว่านางงามมาเดี๋ยวนี้ยังมีไหมปรากฏนางงามมันงามอะไรนักหนากไม่รู้เนาะเรเห็นได้โศคลโลกเนาะ <c oughs> ปรากฏนางงามเราเห็นนางงามเดินมาเรากดีใจดีใจเกิดขึ้นอยากดูให้ชัดๆใช ความดีใจเราก็รู้จักนะอยากจะดูเราก็รู้จักว่าอยากเป็นยังไงเราไม่ดูตรงนี้เรามัวแต่ดูนางงามมันแค่นี้เองไปเดินตามศูนย์การค้าไปเห็นอะไรนะคล้ายๆกระดานชนวนเออไอแเอออยากได้ <laughs> มันเหมือนจริงๆนะแต่มันเล็กกว่ากระดานชนวนหน่อยเองนเห็นแล้วอยากได้ความอยาก เป็นยังไงพวกเรารู้จักทุกคนเราไม่ดูละมัวแต่ดูให้กระดานจํานวนนีนะ้มันแค่นี้เองมันไม่ยากเลยที่จะรู้กายรู้ใจตัวเองแต่ว่ามันละเลยเท่านั้นเราไม่รู้หรอกว่าการที่เราจะคอยรู้กายรู้ใจตัวเองนะั้นเป็นของดีของวิเศษไม่มีอะไรเสมอเหมือนเลยนั่นแหะคือต้นทางที่จะไปสู่พระนิพพานนะการจะไปสู่พระนิพพานนะไม่ใช่ อยู่ๆคนนึกเอาเองว่าจะไม่ยึดนวนจะไม่ยึดนี่บางอารบางทีเขาไปอ่านหนังสือว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นก็คิดเอา่างเลยฉันไม่ยึดแล้วฉันไม่ยึดแล้วความจริงยึดเพียบเลยแต่ไม่ยอมดูไม่ยอมรู้ล้าเลยที่จะรู้งั้นอยากจะไปนิพพานนะให้มาดูรูปดูนามดูกายดูใจนี่ให้มากเมื่อไร่หมดความยึดถือในกายในใจแล้วก็แจ้งพระนิพพานเองแหละเพราะสภาวะของนิพพานเป็นสภาวะที่พ้น จากความปรุงแต่งสิ่งที่เป็นความปรุงแต่งก็คือรูปนามนั่นแหละนิพานเป็นอสังขตะธรรมธรรมที่พ้นจากความปรุงแต่งไปนิพานก็มีอยู่แล้วนะถ้าจิตของเรามีคุณภาพพอเราก็เห็นแต่จิตของเราไม่มีคุณภาพเพราะว่าจิตของเราหลงอยู่กับของความของปรุงแต่งหนะลงกับของปรุงแต่งตลอดเวลาทำไมไม่หลงของปรุงแต่งเพราะว่ามันคิดว่าของปรุงแต่งนั้นนะ่ะ เป็นของดีของวิเศษนําความสุขมาให้ได้อย่างเรารักในร่างกายนะราคิดว่าร่างกายมีร่างกายอยู่แล้วมีความสุขได้เรารักในจิตใจเรารู้สึกว่าถ้ามีจิตใจอยู่แล้วมีความสุขได้เรารักในตาเพราะได้เห็นรูปสวยได้รักในหูเพราะได้ยินเสียงเพราะๆเสียงถูกใจได้รักในจมูกเพราะได้กลิ่นถูกใจได้รักในลิ้นเพราะเราได้รสที่ถูกใจได้รักในร่างกายเพราะมีสัมผัสบางอย่างที่ถูกอกถูกใจ ติดอกติดใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายนี่เรียกว่ากามคุณอารมณ์เป็นสิ่งที่ไม่ยั่วให้ใจออกนอกถ้าใจเราออกนอกเราก็ไม่ย้อนมาดูกายมาดูใจตัวเองเรื่องหลงอยู่ในกามกามนี่เลยเป็นเครื่องปิดกั้นมากผลนิพพานตัวใหญ่ที่สุดเลยเพราะจิดออกนองหลงไปดูรูปลงไปฟังเสียง หลงไปดมกลิ่นหลงไปริมรสหลงไปรู้สัมผัสสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายเย็นร้อนอ่อนแข็งทั้งหลายมาสัมผัสนุ่มนวลอะไร้นอย่างนี้จิตออกนอกเมื่อจิตมันหลงไปในรูปมันก็ไม่ยอมมาดูกายดูใจตัวเองเมื่อมันหลงไปกับเสียงมันก็ไม่มาดูกายดูใจตัวเองมันหลงไปกับกลิ่นหลงไปกับรสหลงไปกับสิ่งที่มาสัมผัสมันก็ไม่ดูกายดูใจตัวเอง งั้นเราพยายามรู้สึกนะพยายามรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจบ่อยๆไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยที่คนธรรมดาคนหนึ่งอย่างพวกเราจะรู้กายรู้ใจตัวเองปัญหาอยู่แค่ละเลยยังวิปัสนากรรมฐานก็รู้กายรู้ใจเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงคนะาว่าวิปัสสนาของพ่อแยกให้ฟังแล้วปัฏนฐะาการเห็น วิ้นเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องนะเห็นถูกต้องให้เห็นใจลักไม่ใช่เห็นปฏิกูณอสุภานะยังดูร่างกายเป็นปฏิกูณอสุภาษไม่ใช่วิปัสนาเป็นสมถกรรมฐานเห็นร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภาษก็ขมราคะได้ชั่วคราวจิตเที่ยวสงบแต่ถ้าเห็นซ้ํากนะก็ไม่ได้ผลอย่างหมอนะรักษาคนไข้เห็นร่างกายเน่าเฟะอย่างน้นอย่างนี้มีแผลมีเลือดมีหนองอะไรเนี่ย เห็นทุกวันทุกวันนะชินไม่ข่มราคาแลครูบาอาจารย์ของหลวงพ่ออง์หนึ่งคือหลวงปู่เทศนะท่านเคยบอกเลยว่าท่านไม่สอนให้หมอพิจรารณาสุภาหรอกพิจาราไม่ลงหมายถึงไม่ลงไม่ใช่พินามไม่ได้นะแต่พิจารณาแล้วใจไม่ลงใจไม่สงบแนละ้วเห็นเป็นเรื่องธรรมดาหเห็นดูแล้วก็เฉย เพราะนเรื่องปฏิคูลเรื่องอสุภาพไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานมันเป็นเรื่องข่มใจให้สงบเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นเองบางทีก็ทําได้บางทีก็ทําไม่ได้เอาแน่เอานอนไม่ได้เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้จริงดูความเป็นไตรลักษณ์ของกายดูความเป็นไตรลักษณ์ของใจแล้วก็ไม่ใช่คิดถึงความเป็นไตรลักษณ์ด้วยต้องเห็นถึงความเป็นไตรลักษณ์เพราะวิปัสสนาแปลว่าการเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นไตรลักษณ์ ไม่ใช่วิตกคือการคิดเอาอย่างบางคนก็ไปสอนกันนะว่าคิดพิจารณากายเป็นวิปัสนาไม่เป็นหออกเป็นสมถะคิดพิจารณากายได้จิตเทีก็สงบการคิดเอาก็เรียกวิตกตรึกเอานะไม่ใช่วิปัสนาคนครคำกันเลยและคนลลักษณะคนลสภาวะแต่บางทีจิตใจฟุง้งซ่านมากวิตกไปก่อนคิดไปก่อนคิดไปวิตกไปแล้วได้อะไร ได้สมถะคิดถึงร่างกายเป็นปฏิกูณสุภะเป็นร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคิดเอาตรงที่เราตรึกเอาเราคิดเอาเนี่ยสิ่งที่ได้คือได้สมถะจิตสงบได้แต่วิปัสสนานั้นต้องเห็นสภาวะต้องมีสภาวะธรรมรองรับเราเห็นสภาวะจริงๆเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาจริงๆตั้งอยู่ต่อหน้าต่อตาจริงๆดับไปต่อหน้าต่อตาจริงๆ รู้ด้วยว่าทำไมถึงเกิดทำไมถึงดับเนี่ยปัญญามต้องสอดส่องเข้าไปจะรู้เท่าทันการรู้น่ไม่ยากหรอกแต่การจะรู้จนเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะอะไรนันนี้ต้องตามดูดูทีเดียวแวบเดียวไม่เห็นนะอย่างความโกรธเกิดขึ้นเราเห็นว่าโกรธป๊บแล้วก็เลิกดูหันไปดูคนที่เราโกรธต่ออย่างนี้ไม่เดินมิปัสนาอะไรหรอกนะ แค่เห็นสภาวะของความโกรธยังไม่เห็นความโกรธเป็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นเราต้องการดูนี่ต้องดูต่อเนื่องดูไปเรื่อยๆเช่นความโกรธเกิดขึ้นเราเห็นความโกรธมันผุดขึ้นมานะผุดขึ้นมาจากกลางอกแปกนะความโกรธโผล่ขึ้นมาจากกลางหน้าอกได้นะไม่ได้เกิดที่อื่นหรอกโผล่ขึ้นมาจากกลางอกโผล่ขึ้นมาจากไหนจากความว่างๆจากความไม่มีอะไรความโกรธโผล่ขึ้นมาทําไมความโกรธโผล่ขึ้นมา ระจิตกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจถ้าจิตกระทบอารมณ์ที่ชอบใจความโกรธไม่โผล่หรอกแต่ความโลภมันจะโผล่แต่หัดรู้หัดดูเรื่อยๆดูบ่อยๆแล้วเราจะเห็นความโกรธเลื้อยขึ้นมาเห็นเลยมันเคลื่อนขึ้นมาแล้วสลายตัวไปสลายไปไหนสลายไปในความว่างเปล่าไม่มีอะไรเหมือนเราจุดทูบสักดอกเนะควันลอยขึ้นมาแล้วควันก็หายไปความโกรธก็ผุดขึ้นมาอย่างนี้นะ ลอยขึ้นมาแล้วก็หายไปความโลภก็ผุดขึ้นมาจากกลางหน้าอกนะผุดขึ้นมาแล้วก็หายไปความฟุ้งซ่านความหดหูความสุขความทุกข์ทั้งหลายนะผุดขึ้นมาจากกลางหน้าอกนี่เอง <S <S แล้วก็หายไปถ้าเราคอยรู้คอยดูนะเราจะเห็นเลยว่าเออความโกรธเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ชว่วคราวแล้วก็หายไปนะไหลไหลไหแล้วก็ผ่านคล้ายๆเราดูขบวนแห่นะแห่เทียนพันสาแหอะไรเงี้ยนะ เรานั่งอยู่ริมถนนรถมันก็ไหลผ่านไปเรานั่งดูไม่เห็นทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปถ้าเราเอาโทรศัพท์มือถือมานะขบวนแห่กำลังมาเรากดถ่ายรูปแก๊แล้วเราไม่ดูขบวนต่อละมาดูแต่รูปรูปเที่ยงไหมมันไม่ไปไหนมันก็อยู่หน้าบ้านเราอยู่ตลอดแหละงั้นเวลาดูนะดูให้มันยาวดูไปเรื่อยดูต่อเนื่องแต่อย่าส่งจิตตามมันไป เราเป็นคนดูเห็นมันผ่านไปเหมือนกะบวนรถบุพชาติอนะไรนี่ผ่านหน้าบ้านเราไปเราเป็นคนดูจะเห็นเลยทุกอย่างมาแล้วไปทุกอย่างมาแล้วไปเราเป็นคนดูเราอย่าโดดเข้าไปยุ่งกับมันเนี่ยหัดรู้หัดดูให้สบายเราไม่ไหลาตามมันไปแต่เรารู้ทุกอย่างมาแล้วไปมาแล้วไปดูน่เรื่อยๆดูเนิบๆนะทีแรกเราสมาธิเรายัางดีมันจะไหลมาช้าๆนะพอสมาธิเราตก ดูเป็นนานๆสมาธิเริ่ม ต, ตกนะใจเริ่มฟูงคราวนี้มันจะมาเร็วทางนี้ฟุบทางนี้วับวับวับวับวบอย่างนี้ดูไม่ทันละนะอารมณ์มาเร็วมากเลยเดี๋ยวทางซ้ายทางขวาข้างบนข้างล่างเนะีุ่ดวุบวไปหมดเลยถ้าดูไม่ทันนี้ทําความสงบกลับเข้ามานะกลับมาพุโทโธกลับมาหายใจให้จิตใจสบายพอสบายแล้วอารมณ์จะไหลมาเนิบๆ น, นะไม่มารุนแรงรวดเร็วอกมาช้าๆไหลม า, าไปมาแล้วไปดูได้ งั้นถ้าดูดูไปแล้วก็เยอะแยะไปหมดเลยดูไม่ทันสมาธิไม่พอละสมาธิเนี้ยนะมันจะช่วยยืดคล้ายๆ ย, ยืดเวลาในใจเราออกนะยืดสภาวะจริ ง, รงๆเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับด้วยอัตราความเร็วเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ถ้าใจเรามีสมาธินั้นะมันจะเหมือนมันมาช้าๆไปช้าๆนะพะสมาธิตั้งมั่นขึ้นมานะสติมันเร็วสติมันเร็วปัญญามันแรงเห็นมาแล้วก็ไปไป ถ้ใจฟุ้งซ่านนะ ช, ชุบชับชุบ้าในความเป็นจริงนะ ช, ชุบชัชบเรามีตั้ง6กวานะวรถาวรตากระทบยังไม่ทันเสร็จเลยถาวรหูมันะดูไม่ทันแล้วเรามาฝึกจิตฝึกใจของเรานะตัวสําคัญนะใจของเราให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวให้มีความตั้งมัน่นจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวนั่นอะไรเรียกว่าจิตตั้งมัน่นถ้ามันต้องสงบพอสมควรได้นะถ้าใจิตใจฟุ้งซ่าน ถ้าฟุ้งซ่านเมื่อไหรนะนอกจากไม่สงบแล้วยังไม่ตั้งมั่นด้วยนะเวลาที่จิตสงบเนี่ยอาจจะไม่ตั้งมั่นก็ได้นะเช่นเราหัดรู้ลมหายใจนะหรือรู้ท้องผองยุบจิตเราไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ท้องจิตไหลไปอยู่ที่ท้องนะสงบจิตใจสงบแต่ไม่ตั้งมั่นเพราะมันไหลไปจิตตั้งมั่นไม่ไหลนะแต่ในจิตที่ตั้งมั่นนั้นมีความสงบอยู่ในตัวเองโดยอัตโนมัติ จิตที่สงบไม่ได้มีความตั้งมั่นโดยอัตโนมัติมันเข้าไปตั้งแชกับอารมณ์อย่าค่อยๆฝึกค่อยๆสังเกตนะเรื่องของสมาธิก็คือการเรื่องเรียนรู้เรื่องจิตใจนั่นเองสมาธิอย่าไปวาดภาพวานั่งสมาธิเล้นั่งจนกระทั่งไม่หายใจนั่งแล้วเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นอะไรต่ออะไรนะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างทั่วโลกเลยโยเว้นกิเลสอย่างนี้นใช้ไม่ได้แล้วเห็นออกนอกพยายามให้ใจ ตั้งมั่นอยู่กันเนื้อกับตัวสําคัญมากจิตใจตั้งมั่นนะอารมณ์จะไหลผ่านหน้าเราไปเฉยๆเราเป็นคนดูตัวที่แตกหักนะว่าเราจะได้มรรคผลนิพพานในชีวิตนี้หรือไมนะ่ก็คือจิตใจเราตั้งมั่นในการรู้อารมณ์ไหมอย่าที่หลวงพ่อสอนพวกเราเรื่อยๆนะว่าให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจําประโยคนี้ได้ไหม เห็นบางครเอาไปปักเสื <se> ้อไว้นะเพราะว่ามีสติก็คือสติสัมโพชฌงค์ใช่ไหมรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงก็คือธรรมวิจยะีธรรมวิจยะด้วยจิตที่ตั้งมั่นจิตที่มีสมาธิลักษณะของจิตที่มีสมาธินีมีวิริยะมีปีติมีปัตสัตติมีสมาธินี่อยู่ในกลุ่มของความมีความตั้งมั่น ไม่ใช่ตั้งมันแล้วขี้เกียจนะตั้งมันแล้วมีวิริยะด้วยตามรู้กายรู้ใจเรื่อยไปด้วยสตินะมีสติพิจารณากายพิจารณาใจค้นคว้าพิจารณานี่เรียกว่าทำวิจัยทำนะวิจัยไปเรื่อยตามรู้ตามดูเรื่อยนะเป็นความเพียรมีวิริยะวิริยะนี่อยู่ในกลุ่มของสมาธนะิมีวิริยะแล้วเกิดปีตินปีติก็เป็นอาการที่เกิดจากสมาธิ มีปีติแล้วไม่ได้ปีติโลดผลครอบงําจิตใจไปนะมีปีติแล้วจิตใจยังตั้งมั่นอยู่ปีติจะค่อยขำดาวลงค่อยลดระดับลงเรียกปัจสัตตินะแล้วจิตใจก็สงบตั้งมั่นมีสมาธิมีสติคือสติสัมโพชฌงรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงคือธรรมวิจยะด้วยจิตที่ตั้งมั่นอันนี้ก็ประกอบด้วยวิริยะปีติปัจสัตติสมาธิ และเป็นกลางคําว่าและเป็นกลางคืออุเบกขางั้นแล้วพวกเรามีสติรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นตามความเป็นจริงเป็นยังไงเป็นไตรลักษณ์เท่านั้นอ่ะไม่มีเป็นจริงอย่างอื่นหรอกมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแต่ต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นนั้นคือจิตที่มีสัมมาสมาธิไม่ใช่มิจฉ า, าสมาธิมิจฉาสมาธิสงบอย่างเดียวไม่ตั้งมั่นสามารถสมถนะาธิน่ะทั้งตั้งมั่นทั้งสงบอยู่ในตัวเอง ทำไมมันสงบแล้วจิตใจไม่ฟุ้งไปในอารมณ์อื่นมีสติคเคล้าเคลียในการเรียนรู้ธรรมะรูปนามอยู่ไม่หนีไปที่อื่นเลยก็มีสมาธิแล้วก็รู้ไปรู้ไปนะมีปิตินะปิติขึ้นมาแล้วจิตตั้งมั่นสติระลึกรู้ปิติปิติจะลดระดับลงนะสงบระงับลงนะแล้วตั้งเป็นอุเบกขาขึ้นมาได้เดีนะ๋ยวเฝ้ารู้เฝ้าดูไปไม่ใช่ของยาก สรุปว่าในความเป็นจริงแล้วการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ยากมันยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติเหมือนที่หลวงปูดุลสอนหลวงพ่อเป็นประโยคแรกเลยไปกราบท่านบอกหลงวงปูผมอยากปฏิบัติหลวงปูนั่งหลับตาไปเกือบชั่วโมงนะพอลืมตาขึ้นมาท่านสอนการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองไม่ได้ให้ทําอะไรให้อ่านให้อ่านก็เหมือ น, นให้เห็นนั่นเอง มันเป็นยังไงก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นอยเราอ่านหานังสือดูหนังสือไปไม่ได้ไปคิดอะไรนะรู้ตามความเป็นจริงฝึกไปเรื่อยเรารู้กายรู้ใจของตัวเองได้อยู่แล้วทุกคนปัญหาอยู่ที่เราละเลยเพราะเรามวดใส่สนใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายนอกเรามมวแต่เพลิดเพลินกับเรื่องราวที่คิดภายในคือเราหลงไปในอายตนะภายนอกทั้ง6นั่นเอง เราละเลยที่จะรู้ทาภายในคือจิตใจของเราเองนะคอยมารู้ทาภายในนะคือรูปนามของเรานี้อย่าหลงอยู่กับทาภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสพุภาะธรรมรมนะพระสารีบุตรท่านก็นสอนนะให้รู้ทาภายในเป็นการทำวิปัสสนาให้รู้ทาภายในไว้ในตามตำลานะตำลาพิธรรมบรู้อายตนะภายนอกก็ได้ แต่เวลานักปฏิบัติท่านปฏิบัติกันท่านรู้ภายในนะพระสารีบุตรท่านก็สอนให้รู้ภายในรู้ภายนอกก็ได้นะรู้ในทางทฤษฎีเพราะของภายนอกก็เป็นไตรลักษณ์แต่รู้แล้วไม่วางหรอกต้องรู้ของภายในเพราะอะไรเรายึดตัวเองเป็นตัวตั้งของจักรวาล น, นะเราเป็นศูนย์กลางของจักรวาลทุกคนเลยนะะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตัวเราเป็นศูนย์กลางทั้งหมดเลยถ้าหมดความยึดถือในตัวเราซะตัวเดียวตัวอื่นก็ไม่ยึด แต่ถ้าเห็นว่าของภายนอกไร้าสาร ะ, ะมายึดตัวกูอยู่คนเดียวนี้ยังไม่หมดหรอกงั้นทางทฤษฎีนั้นดูธรรมมาภายนอกก็ได้ภายในก็ได้ในทางปฏิบัตินะเจอประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติที่สืบทอดกันมานะในภาษาริบุตรท่านก็สอนนั่นแหลให้รู้ทำรรภายในคือรูปนามของตัวเองตามความเป็นจริงเป็นจริงคือไตรลักษนณะ์ถ้ารู้อย่างนี้เรื่อยไปด้วยจิตที่ตั้งมั่น จิต ท, ที่สงบ พ, พอประมาณไม่ใช่สงบจนลืมเนื้อลืมตัวแต่ตั้งมั่นไม่หลงไม่ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ทุกอย่างอย่างเป็นกลางเห็นรูปแล้วยินดีรู้ทันจิตจะเป็นกลางเห็นรูปแล้วยินร้ายรู้ทันจิตจะเป็นกลางอันนี้เป็นกลางด้วยสติไปก่อนสุดท้ายจะเกิดความเป็นกลางด้วยปัญญาเมื่อเห็นว่าสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงร้ายก็ไม่เที่ยงทุกอย่างมีแต่ของไม่เที่ยงทุกอย่างมีแต่ของบังคับไม่ได้ ถ้าเห็นแจมแจ้งอย่างนั้นนะจิตจะเป็นกลางด้วยปัญญาถ้าเราภาวนาจนถึงขั้นที่จิตเป็นกลางด้วยปัญญานี่ใกล้กับมรรคนิพพานแล้วเข้ามาถึงประตูแห่งการบรรลุมรรคนิพพานแล้วเราสามารถเห็นรูปนามเห็นกายเห็นใจของเราด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางอย่างแท้จริงด้วยปัญญาเพราะรู้ความจริงแล้วว่าอะไรอะไเขาไม่เที่ยงอะไรอะไรเขเป็นทุกข์อะไรอะไรเขาบังคับไม่ได้ไม่ใช่เร า, นะาเรียกว่ามีสังขารู้เบิกขายาณ ถ้ามาถึงสังขารุเบกขาญาณแล้วบางคนเนี่ยก็กระโดดไปไปเป็นพระโพธิสัตว์ได้นะไปพบพระพุทธเจ้าไปทูลถามไปทำบุญกับท่านอย่างงี้นะตั้งความปรารถนาขอเป็นพระพุทธเจ้าอางค์หนึ่งถ้าจิตมีคุณภาพถึงสังขารุเบกขาเนี่ยท่านอาจจะพยากรให้ว่าอาจจะได้คนนี้ได้คนนี้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ส่วนมากท่านก็ไม่พูดเลยเฉย ถ้าได้ท่านก็นบอกเลยว่าโอ้อีกไม่นานหรอกอีก16อาอสงไขยแสนมหากับท่านจะได้เป็นไม่นานเท่าไหร่หรือพวกหนึ่งก็ไม่ไปพุทธภูมิก็เกิดมรรคเกิดผลไปพวกหนึ่งเสื่อมไปเฉยๆไม่ทำต่อนะเดินได้สมช้อยถ้าถึงสังขารด้วยเบกขาเสื่อมไปก็ได้ยังเป็นโลกียธรรมเสื่อมได้หรือก้าวกระโดดเกิด มาเกิดผลไปเลยก็ได้นะหรือเดินไปสู่เส้นทางของพุทธภูมิได้สงาภาภ่าพาเผยอาเชิญไปไปกินข้าวด้วยการมีสติรู้กายรู้ใจทางความเป็นจริงนะนิมนต์ครับ